สิ่งภายนอกกันนั้นบางคนสร้างจังหวะเข้าใจไม่ถูกก็ค่นึกบอกว่าเพิ่งทําถูกบางทีการบอกการพูดมันเป็นทางการเกินไปเนี่ยมันเจาะเข้าไม่ถึงความเข้าใจงั้นต้องได้พูดกันเป็นส่วนตัวบางทีพูดส่วนตัวนี่ทําให้เราเจาะเข้าถึงสาระข อ, ของเรื่อง โยมมึกว่าการสร้างจังหวะค่อยนึกเอาค่อยนึกว่าจะยกแต่ความจริงไม่ต้องนึกยกขึ้นให้รู้เท่านั้นเองนะให้รู้ว่ายกนั้นเองถ้านึกนี่มันก็เป็นเป็นสัญญาขึ้นมามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวสติตัวสัญญาเนี่ยค่อยนึกว่าจะยกค่อยนึกว่าจะเอาเข้ามาค่อยนึกว่าจะให้เห็นภาพของมือซะก่อนนีอันนี้ไม่ไม่ใช่สติแล้วแต่เป็นสัญญาแต่สตินี่ให้ยกเฉยๆให้รู้ว่ามือยกเท่านั้นเอง ไม่ต้องนึกถึงมือเลยซ้ำไปให้รู้ยกนะอันนี้เป็นตัวสาระของเรื่องแล้วก็ตัวสติดีที่เราทํานี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นหากุญแจหากุญแจไปเปิดไปเปิดใจของเราใจของเรามันถูกปิดอยู่ตัวอะไรปิดตัวไม่รู้สึกตัวมันปิดอยู่เราก็ไมส่สร้างตัวรู้สึกให้เป็นกุญแจปิดเหมือนกุญแจมันล็อกอยู่เนี่ย พอเปิดเข้าไม่ได้เนี่ยของในห้องนี่ใช้ไม่ได้นะตัวนี้กุญแจเราหายไปเฉยๆเราเคยมีอีกกุญแจตัวเนี้แต่เราทําหายเพราะฉะนั้นเราคุณรู้ว่าในห้องของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่รู้หมดอ่ะแต่ขณะที่กุญแจหายเนี่ยของในห้องนี่ใช้ไม่ได้เลยเราเก็บเงินเก็บทองเก็ บ, เ, กบเข้าเก็บของเก็บผ้าเก็บเสือ้อรู้หมดว่า อ, อยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจเปิดกุญแจเราทํากุญแจหาย เหมือนกันนะในตัวเรานี่เรารู้หมดนะอะไรเราก็รู้นะราคะรู้เราก็รู้ว่าไม่ดีเราก็ยังราคะโทสะเร า, าก็รู้ไม่ดีนะเราก็ยังโทสะยังโกรธอยู่นะความอิจฉาพยาบาทไม่ดีเราก็รู้ความเห็นแก่ตัวไม่ดีเราก็รู้แต่เราก็ทําตามไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีกุญแจขาดกุญแจอยู่ทีนี้มาหาทนี้มาหากุญแจนะ เมื่อไรวันไหนได้กุญแจแล้วเนี่ยเราจะใช้ได้หมดเลยคุณธรรมที่เรามีเหมือนก็เราเปิดห้องได้เราเข้าไปในห้องเราใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมเหมือนกันมีตอนหนึ่งที่หลวงพ่อท่านสอบบรมท่านถือกุญแจไว้ด้วยท่านก็ยังเปิดแม่กุญแจก็มีแล้วแต่เราทํากุญแจหายหายตอนไหนจําได้ไหมกุญแจหายตอนไหนพระยาบุญตอนขาดสติเลยกุญแจหายตอนนั้นเมื่อไรขาดสติกุญแจหายเมื่อนั้น พอพอได้สติได้กุญแจมาแล้วอ้าวเปิดทํากุญแจหายแล้วถ้าเกิดทํากุญแจหายบ่อยๆจะเข้าห้องได้ไหมก็ไม่ได้นอนตากแดดตากฝนอยู่ข้างนอกหมายความว่านอนตากกิเลสอยู่ราคะมาก็อยู่กับราคะโทสะมาก็อยู่กับโทสะโมหะมาก็อยู่ความอิจฉาพยาบาทมาก็อยู่กับมันนี่เขาเรียกว่านอนตากมันทําไมไม่หลบเข้าไปข้างในไม่ได้กุญแจไม่มีเปิดเขห้องไม่ได้ เวลาความไม่พอใจเราอยู่ก็ความไม่พอใจจะออกจากความพอใจก็ไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจพอได้สติขึ้นมาอา่เราใจเราไม่สบายไม่ถูกเพราะนั้นชีวิตไอความสบายมันมีอยู่แล้วหลวงพ่อว่าความสบายมันมีอยู่แล้วแต่บางครั้งเราไม่สบายเพราะอะไรเพราะขาดกุญแจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราว่าทำไงชีวิตของเราเนี่ยมันมันมีความไม่ทุกข์อยู่แล้ว แต่ที่เราบรรทุกเพราะเราขาดกุญแจขาดความรู้สึกตัวเพราะรู้สึกตัวแล้วนั่งนานๆามันคนนั่งจนเหน็บกินแข่งขาเนี่ยขาดอะไรขาดกุญแจพอได้กุญแจมาไขาปั๊บอ๋อคลิกนิดเท่าไหนมันก็หายแล้วน ะ, ะเพราะฉะนั้นอย่าให้กุญแจมันหายบ่อยถ้ากุญแจหายบ่อยๆก็นอนจากแดดตา่าฝนก็คือนอนแช่อยู่กับความไม่รู้สึกตัวนะ ดังนั้นเองก็เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ทําไมมจริงทํายากก็เพราะว่าเรามัน ช, ชอบอยู่กับตัวอวิชชาแล้วก็ต่อไปญาติโยมต้องพยายามฝึกตัวนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปต้องสอนกันเองนะพระไม่ไม่มีเวลาพระไม่ค่อยสอนหรอกเดี๋ยวนี้พระท่านมีงานเยอะพระบอกไม่มีเวลาปฏิบัติงานอะไรงานซ่อมงานสร้งางงานสวดมนต์งานกิจนี่มลคนตายเยอะ พระไม่มีเวลามาเจริญสติให้โยมเราพระต้องไปกิจ น, นิมนตนาแต่โยมนี่แหละจะมีเวลาเจริญสติเยอะๆเพราะอะไรเพราะมีเพราะมีงานจริงๆพระทำงานตามประเพณีแต่งานของโยมมันไม่ใช่ประเพณีงานของโยมมันไม่ทำไม่ได้ไม่มีค่างวดไม่มีค่าเช่าค่า <c oughs> เงินค่ากินค่าอยู่เนี่ยเพราะนั้นก็เลยว่าเวลาบอกให้โยมมาปฏิบัติ โยมมาเต็มที่ร้อปซนแต่เวลาพระมาปฏิบัติยี่สบมาสักสาสี่รูปเพราะท่านไม่มีเวลาท่านมีงานเยอะเพราะนั้นเองโยมต้องช่วยตัวเองหาคุญแจให้เจอคจุณแจคือความรู้สึกตัวจะนอนก็นให้รู้สึกตัวจะตื่นก็ให้รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวตลอดเวลามันไม่มีเวลาแล้ะมันเป็นอาการรูโกตั้งแต่ตื่นเดี๋ยวจะนอนอีกแล้วมันไม่ใช่นอนหละพัก เดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาอีกอยังงั้นวันหนึ่งเหมือนก็ไม่มีวันนะมาพราะแป๊บหมดไปแล้วดังนั้นเป็นเวลาเห็นความอะไรเห็นความสงบเห็นความสุขที่ผ่านไปแต่เมื่อไรเราขาดกุญแจไปนึกละกุญแจหายก็ไปนึกข้างนอกตัวแล้วเมื่อไรกุญแจได้มาเปิดเปิดเข้าไปอยู่กับชีวิตมเมื่อไรกุญแจหายเอาออกจากท่นไปทางอื่นนะออกจากห้องไปแล้วไปอยู่ทางอื่นเพราะเข้าห้องไม่ได้กุญแจหาย ต้องไปอดีตอนาคตที่นี้อยู่กับห้องได้ห้องคือปัจจุบันที่เราจะต้องมีตัวสติเปิดเข้าไปหามันแต่พอกูเจ๋อหายจิตไปไหนไปอดีตอนาคตอีกแล้วนึกถึงบ้านนะมาสอสาวันอยากลับบ้านไปทำอันนู้นอันนี้เมื่อไหรจะเสร็จจะทีเนี่ยปัจจุบันกูเจ๋อหายอีกแล้ววันกูเจ๋อหายหลายหนแต่ไม่รู้สึกตัวนะดังนั้นอย่าทำกูเจ๋อหายบ่อยเมื่อไหร่นึกไว้ถึงอดีตอนาคตเมื่อนั้นให้รู้ว่ากูเจ๋อหายอีกแล้ว ไมื่อใดกลับมาอยู่ตัวเองกูแจ็คขับขึ้นมาปูดเพราะฉะนั้นอย่าทํากูแจหายบ่อยเพราะมันจะทําให้เราเดือดร้อนเราก็ไม่มีความสุขไม่มีความไม่ทุกนะไม่อยากจะใช้คำว่าความสุขเพราะความสุขก็คือความทุกข์น้อยนั่นเองความทุกข์ก็คือความทุกข์มากความทุกข์ก็คือความสุขน้อยความสุขก็คือความทุกข์น้อยมันก็ทุกเหมือนกันน้อยมากทุกเหมือนกัน แต่สิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่ปรารถนาสุขปรารถนาทุกข์ปรารถนาความไม่ทุกข์นะไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาแต่เอาความไม่ทุกข์มันมีอยู่ไอตัวไม่ทุกข์นี่เรียกชื่ออีกอย่างก็คือนิพพานนั่นเองปรารถนาตัวนั้นแหละปรารถนาตัวไม่ทุกข์ตัวดับทั้งสุขดับทั้งทุกข์แหละแล้เหลือตัวรู้เฉยๆตัวรู้ซื่อๆเราจะว่ายังไงก็ได้แหะทีนีนะ่มันมีตัวนี้อยู่ดังนั้นอยากจะให้ฝึก ตัวสติบ่อยๆถ้าไม่มีตัวสตินะมันจะไปเจอตัวไม่ทุกข์ไม่ได้เพราะตัวไม่ทุกข์จะมีอยู่แต่ปัจจุบันเท่านั้นตัวสุขยังว่ามีอดีตอนาคตตัวทุกข์ก็ต้องมีอดีตอนาคตนึกถึงอดีตที่ดีๆก็เป็นสุขนึกถึงอนาคตดีๆก็เป็นสุขแต่ถึงอดีตที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์นึกถึงอนาคตที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์เห็นไหมอดีตความสุขความทุกข์มันมีอดีตอนาคตเนี่ยเป็นเป็นที่มาที่ไปแต่ว่าตัวไม่ทุกข์่ะมันมีปัจจุบันเป็นกุญแจ มันเพราะฉะนั้นทำตัวตัวปัจจุบันให้ชัดเจนไว้เสมอมีความสุขอยู่ในปัจจุบันจะเดินจะเหินจะอะไรเป็นไหนดูให้เห็นมันทุกอย่างให้ชัดเจนที่เฉพาะหน้าอย่าให้มันเห็นเบอร์เบอรเห็นผิวผิวเผลนเผลอเห็นลางหลงายๆนั่นแสดงว่าไม่ได้อยู่ปัจจุบันแล้วใจไม่ได้ไม่อยู่ปัจจุบันไปอยู่ที่อื่นดังนั้นเวลาไปปฏิบัติเนี่ยก็ปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้น จะมีง่วงมีเหงามีปวดมีเมื่อยมีอะไรไหมถ้ามันมีปัจจุบันจริงมันไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ง่วงไม่เหงานะที่มันง่วงมันเหงามันปวดมันเมื่อยมันเบื่อเนี่ยไม่ได้อยู่ปัจจุบันแล้วใช่ไหมลุเก๋อือไปอยู่กับอะไรอ่ะไปอยู่กับความทุกข์แล้วก็ง่วงนอนพิงเก้าอี้บ้างก็ไปอยู่ความสุขอีกละไม่ได้อยู่ความไม่ไม่ทุกข์แต่ถ้าคนที่ไม่ทุกข์ก็ตื่นตัวอยู่เสมอนะเห็น สุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นอยู่ก็เห็ น, หนทุกข์เห็นสุขแต่ไม่ทุกข์แต่ไม่สุขไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขแต่เห็นทุกข์เห็นสุขอยู่ทุกข์สุขมันมีอยู่มันไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจมันไม่สุขกายก็สุขใจมันมีอยู่แต่เราไม่เป็นมันตรงนี้เข้าใจยากเอ๊ะเป็นยังไงเห็นแต่ไม่เป็นมีอยู่แต่ทาไมว่าไม่มีทีตัวเนี้ยเข้าใจมันเป็นกุญแจอยู่ล็อกอยู่ นอนอยู่ของไจ้มีกรอยครับมีกรอนกรอย่ไตาย้มกรอไม่ไตายกร อ, ไ ม, อไม่ได้เพราะอะไรนอนตายเ็ระเด็กป็นลงเป็นไรอ๋นนอกลัวใจนึกถึงไกรอยเขาตายแล้วกคนอื่นไม่รู้ครับอ่เป็นไรโยงคนหนึ่งมา <c oughs> เามาล่ามาเล่าตอนกลางวั น, นออยู่น ม ไ, ไม่รู้ ừ, ปีหน้านี่มา จ, จะเจอเจอหรือว่าในยเก่งเชื่อ <laughs> ไม่เจอไม่ใช่ยงเก่งจะตายบางทีอาตมาจะตายก่อนในเก่งก็ได้ <laughs> เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนใครที่เห็นว่าอายุเยอะๆจะตายก่อ น, อนไม่ใช่นะทังตัวอ่าทสายเข่ามือไหล่ผมใช่นนในธรรมดา ที่อเมริกาในบางทีนอนตายไปสามสี่วันไม่ีใครรู้ก็อยู่กับหมาหมาก็ไปบอกเขาไม่ได้เพราะคนแก่อยู่คนเดียวที่อเมริกา เ, เขาไม่ยอมมาอยู่บ้านด้วยดังนั้นเจริญสตินี่นให้มีคยยนอนอนนอนนะครับเป็นลมไปเลยนะอืมเค ย, ย, ยได้ยินได้ยินบ่อยออ ด, อดังนั้นอย่าไปอย่าไปเสียเวลากับมันในเรื่องลืมตัวนี่นะ พยายามทำตัวนี้แหละบ่อยๆถึงว่ามันจะไม่ไม่มีเวลาก็ทําอย่างที่หลวงพ่อเชื่ว่านั่งรถไปก็ทำแค่นี้ก็ได้หรือทําแค่นี้ก็ได้แต่ขอให้ทําเอาไว้ให้เป็นนิมิตเอาไว้นิมิตของปัจจุบันตัวเจตนาตัวเจตนาทําอะไรที่ให้รู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นนิมิตของปัจจุบันเราจะทําอะไรก็ตามให้รู้สึกตัวอยู่โดยเฉพาะทํากับความคิดที่มันคิดอยู่นี่แหละ ให้รู้สึกว่ามันกําลังคิดดูมันะจะไปตั้งแต่เมื่มอไรตื่นเช้าขึ้นมาดูใจว่าสบายหรือไม่สบายวันไหนเราไปยุ่งกับเรื่องราวเยอะๆน่ะวันนั้นใจจะไม่สบายเศร้าหมองเอามาเคยสังเกตตัวเองนะคนไหนไปดู น, น, ด น, ดดนั่นดูนี่ดูโทรทัศน์ดูหนังสือพิมพ์ดูเหตุการณ์อะไรกัใจก็ขุ่นๆยังไงไม่รู้ไม่ใส่ละวันนั้นเพราะฉะนั้นพุทธเจา้าเรียกว่าสังขารสังขารมันลกใจสังขารมันลกใ จ, น, น, กใจนี่เกิดจากอะไร คือจความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากอ่านอยากไปอยากดูอยากทำเพราะความอยากนั่นแหละแต่เราไม่รู้ไอ้ความอยากเล็กๆน้อยนี่นมันเป็นความเคยชินที่มีสังขารมากยิ่งเยอะนะเอามามีสังขารเยอะเพราอะไรเพจะต้องเป็นอุปกรณ์ไปช่วยเหลยวคนอื่นมันก็เลยอันนั้นอยู่อันนั้นยังอันนั้นหายอันนี้ผิดที่อันนี้ลืมที่เอาอยู่เพราะแบบ น, น, นั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันทาให้จิตใจเราขุ่นมัวในบางครั้งแต่ถ้าเรารู้มันก็หายไวนะแต่ถ้าเราไม่รู้มันก็ขุ่นมัวไปเรื่อย ดังนั้นผู้ที่เจ้าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเนี่เอาไว้ไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีปัญญาอยู่เสมอถึงจะจัดการกับสังขารได้ถ้าไม่มีปัญญาจัดการกัสังขารไม่ได้นะที่คนแก่บ้านเรามีของเยอะสังขารเยอะนั่งบวชก็มีสังขารเยอะในห้องเต็มไม่หมดอะไรไม่ลุงลังสังขารเยอะในเมื่อมีสังขารเยอะมันก็ลบเยอะ เมื่อมันโรเยอะมันก็ทําให้เป็นเชื้อเป็นเชื้ออยู่อาศัยของอาศรมพิษเป็นเชื้อไฟเชื้อหนูเชื้อตะเข็บตะขาบเหมือนกันจิตใจของเรามันลกเยอะเนี่ยมันก็เป็นเชื้อของกิเลสตัณหาอุปาทานเชื้อของความโลภ ค, ความโกรธความหลงเชื้อของความอยากมันก็เข้าไปอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าให้มันมีสังขารเยอะตัวสังขารพรพุทธเจ้าบอกว่าวิสังขาราคาตัางจิตตังตัณหานังขยัมชะคาจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งความไม่มีสังขาร วิสังขารคือซึ้นซึ่งความสิ้นไปของความอยากตัณหานังขยามัชฌานั่นคือถึงนิพพานเห็นไหมเพียงแต่ไม่อยากอะมันก็เกิดนิพพานแล้วเพียงแต่ใจไม่ภูมิแต่งมันก็เป็นนิพพานนะก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแต่ทําไมเราจึงรักษาไอ้ความไม่อยากนั้นไว้ไม่ได้เพราะว่าตัวสติเรายังไม่มั่นคงตัวปัญญาเราไม่เข้มแข็งไม่ใช่ว่าหมดกิเลสแล้วนี่มันจะไม่คิดไม่อยากมันคิดไม่อยากแต่ว่ามันมีตัวปัญญากํากับอยู่ เมื่อมีปัญญากํากับอยู่ไอ้ตัวอยากตัวคิดเหล่านั้นมันไม่แพร่เชื้อไงมันถูกควบคุมนะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจให้สร้างปัญญาให้มากตัวปัญญาเท่านั้นจะคุมตัวอยากอ ย, กอยู่ถ้าสมมุติว่าไม่มีปัญญาหรือปัญญาไม่พอนะ่ยความอยากมันก็บานไปเลยเหมือนก็เชื้อโรคอะถ้าก็เชื้อโรคมันมีตัวยาคุมอยู่เนี่ยเชื้อโรคมันก็ไม่ขยายพวกแบคทีเรียทั้งหลายแต่เมื่อไหร่ถ้าไอ้ไอ้ตัวคุมมันยาคุมมันมันหมด ก็เชืโลกมันก็แผ ka ok ่ขยายความอยากเราเหมือนกันเมื่อไรมันมีปัญญามีสติปัญญาควบคุมมันอยู่ความอยากก็ไม่ขยายเมื่อไรสติปัญญามันอ่อนลงความอยากมันก็ขยายก็ปรับกันอยู่นั่นมันก็เชื้อโรเพราะฉะนั้นในจุดเนี้เราก็ต้องฝึกฝนสติปัญญาจนกระทั่งวสติปัญญามันกลายเป็นอัตโนมัติเขาเรียกเป็นปรมัตเมื่อไรสติปัญญามันเกิดโดยปรมัตแล้วมันก็ปรับกันเองมันก็คุมกันเองเราก็ไม่เราก็ปลอดภัยละ แต่เมื่อไรสติปัญญาไม่คงที่มันยังคุมกับความอยากไม่ได้นัก็ยังหยุดไม่ได้ต้องสร้างเรื่อยๆสติปัญญาแต่เมื่อไรสติปัญญามันคงที่เป็นออโต้แล้วมันตัดของมันเองเวลาความอยากเกิดขึ้นปั๊บสติปัญญามาปั๊บพอสติปัญญามาปั๊บกิเลสก็ขาดปั๊บมันก็ตัดกันเองอย่างนี้ระบบปัจจุบันเขาเรียกเราออโต้ออโตเมติกอย่างนีเมื่อใดยังไม่เป็นออโตเมติกมีประมาทไม่ได้ แล้วก็ได้ใช้เมนูนัใช้มือไปก่อนนะคือหมายความว่าเวลานึกขึ้นได้ก็ทํานึกไม่ทันก็ก็เกิดต่อไปสมถะ ภ, ภาวนาเนี่ยเป็นระบบเมนูนั่นคือหมายความต้องใช้มือต้องต้องเข้าไปจัดการแต่ถ้าหากว่าวิปัสสนาเป็นระบบออโต้คือหมายความว่าตั้งไว้แล้วเวลาถึงมันตัดมันเองว่าเออเวลาตัวตัวอยากมานะตัวปัญญาเป็นไงตัดพั้วขึ้นมาโดยอัตโนมัติหรือเขาทำเซฟที่คัดเนี่ย นะเวลามันโอเวอร์โหลดนะตัวนั้นก็ดีดพ่วขึ้นมาก็ปลอดภัยเหมือนกันถ้าหากว่าสติปัญญาที่เราฝึกมันมีมากเข้ามาเข้ามันเกิดเป็นเซฟตี้คัสเมื่อกิเลสมาความอยากมาตัวปัญญาก็มาพ่วทันทีเลยความอยากก็หลุดไปพ่วเลยธรรมะก็เหมือนกันเอาระบบไอ้วัตถุทั้งหลายเนี่ยมันก็จำลองมาจากจิตนั่นแหละนะที่เอามาทำมัน คนทำมาจากใจมันก็าจะปัจใจมาจากใจคนนั่นแหละระบบออร์โตแระบบเมนนนนั่นแหะถ้าใจคนเป็นอย่าง อ, าอย่างไรวัตถุที่ทำม า, มาก็เป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยในการสแสวงหาสติปัญญานะว่ากันโดยตรงเลยละ่ะไม่ต้องไปอ้างถึงพิธีรีดองพร้อมตรงไหนทําตรงนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาเตรียมขัน8ขัน5ขันแป ข้อดอกดอกไม้กิเลสมันมามันไม่ได้บอกว่าเราจะมาตอนไหนใช่ไหมจะต้องมีข้อตอกบอกไม่ต้องมีทูปเทียนมันจะมาอะไรมันไม่ได้บอกเรามันไม่ได้กลัวทูปเทียนไม่ได้กลัวข้อตอกดอกไม้หลวงพ่อเทียนเลยไม่ได้แชร์ในเรื่องพิธีดีดองอะไรเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยอะไรมันเกิดต้องให้รู้แล้วแก้ไขมันทันทีชีวิตก็มีความหมายชีวิตที่มีความทุกข์นี่ไม่มีความหมายนะชีวิตที่เศร้าหมองชีวิตที่เป็นทุกข์เนี่ยไม่มีความหมายอะไร เพคนทั่วไปเป็นยังแต่ชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่มันมีความสงบมีความสุขมีความไม่ทุกเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความหมายไม่มีใครรู้จักเลยก็มีความหมายแต่ถ้าหากว่าชีวิตของเราเป็นทุกอยู่คนรู้จักทั้งโลกก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะมันไปนทุกอยู่นะเพราะฉะนั้นก็พยายามสั่งสมตัวรู้จักเจตนาจากการกําหนดรู้มากๆการปฏิบัติมากไม่ใช่ว่าปฏิบัติทั้งวีทั้งวันการปฏิบัติมากคือการกําหนดรู้ ในการเคลื่อนไหวการกำหนดรู้สิตัวนี่มากแม่จะไม่ได้ทำความเพียรทั้งวันเลยก็ถือว่าคนนั้นปฏิบัติมากแต่คนไหนกำหนดรู้ไม่ถูกกำหนดรู้ไม่เป็นทำความเพียรเดยจยกรมทั้งวันก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติเพราะกำหนดรู้ไม่เป็นนะดังนั้นเอากุญแจตรงนี้ให้ได้นะยังฝึกให้เป็นกุญแจการลุกการนั่งการย่างการเดินการคู้การเหยียดการไหวกัน ตัวนอนเวลานอนก็เตรียมตัวนอนให้ดีนะเวลานอนนำมาเตรียมตัวตายแล้วคืนนี้จะตายแล้วก็เตรียมนอนวางตีนวางมืออะไรให้ดีเพื่อตายมามันจะได้ดูสวยๆหน่อยไม่ใช่คืนนี้เตรียมตัวตายตามือวางไว้อย่งไรหายใจให้สบายเวลาเข้ามาดูแล้วตายสงบดีใงแต่ถ้าหากเขามาเจอแล้วตายแล้วตาเหลือกตาหล่นนี่โอ้ไม่ได้ตายมาสงบแสดงว่าไม่ได้เตรียมตัว เพราะฉะนั้นอันไหนที่มันเป็นความจริงของชีวิตอย่าไปกลัวต้องเผชิญแล้วก็ต้องเตรียมตัวเสมอเตรียมตัวแก่เตรียมตัวเจ็บเตรียม ต, ตัวตายคนทําไมกลัวตายเพราะเราตายทุกวันใช่ไหมดับก็ถือว่าตายแล้วนพะอตื่นฟื้นขึ้นมาใหม่เอามันยังมีกรรมอยู่ต้องฟื้นเมื่อไหร่ก็หมดกรรมก็ไม่ต้องตื่นกันนะดับไม่ถึงฟื้นไม่มีนิไม่มไมค้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลัวตายอยู่ก็ต้องเตรียมตัวแต่ถ้าเมื่อไหรไม่กลัวตายก็ไม่ตยอย้องนะ ดังนั้นเราพยายามนะศึกษาพวกเด็กทั้งหลายที่เขาไม่กลัวตายแต่เขาเรียกประมาทไม่กลัวตายแบบนั้นประมาทนะ่ะบิดลดกันนะสนามใกล้ๆวัดน่นะบิดรถกันตึงต้งๆึงงง้ดูเขาไม่กลัวตายนั้นะเขาเรียกประมาทแต่นักปฏิบททัติทำของเราไม่กลัวตายแต่ไม่ประมาทนะเตรียมตัวอยู่เสมอมันอาจจะตาย ต, ายตอนไหนก็ได้ไ ป, ไปนี่ไปสะดุดได้ล้มอาจจะตายก็ได้ตอนกลางวันใยายคนหนึ่งแกมาเล่าให้ฟังก็บอกจะไปล้มในห้องน้ํา เส้นเลือดในสมองแตกในห้องน้ําแกรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวแกกลัวว่าจะไปตายในห้องน้ําพยายามลากตัวเองมาจากห้องน้ําให้ได้นะมีสติมันช่วยได้อย่างนั้นนะในที่สุดแล้วปรากฏ ว, ว่าแทนที่จะเป็นอมัอมาพาตอัมพาตรือตายไปกลับไม่เป็นไรเลยอมัอมาพาตอัมพาตมันเป็ น, ก, ปนก็ไม่ตายเพราะมีสตินะไปหาหมอช่างครคนนั้นมีสติอยู่เนี่ยยังไรเป็นหนักขนาดไหนก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกนั้นสตินี่ช่วยได้เยอะทีเดียว นะแต่ว่าทำไมเราขี้เกียจฝึกละ่ะรู้มันดีทำไมขี้เกียจฝึกละ่ะก็เพราะว่าอย่างประมาทอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็มีเวลาเตรียมตัวให้ไปนอน5นาทีมันนี้เดียวเวลา5นาทีหมด เ, เ, เวลาแล้วนะ